ความเบียดเบียนตนพระพุทธาสิตยะสะอั จ, จันตะดุสีละยังมาลุวาซาละวิวดทะตังกรติโซตัทั ต, ตานังยะท่านังอัชตีดิโซแปลความว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรึงรัด บ, บุคคลใดเหมือนทาวันล้อมรัดต้นสาละบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปราถนาจะทำแก่เขา อธิบายความความเป็นผู้ทุศีนนั้นคือการล่วงศีนหนึ่งหนึ่งเพราะขาคิริโอตปะบ้างเพราะไม่สามารถควบคุมตนเองเนื่องด้วยความยั่วยวนบ้างความทุศีนหนึง่งหนึ่งนั้นเป็นการเบียดเบียนตนเองอาการล่วงศีลหนึ่งหนึ่งพึงเห็นได้จากพระบาลีที่ว่าปานาติปาตีฆ่าสัตว์เป็นปกติหรือเป็นอาจินอาดินาดานยีรักทรัพย์เป็นอาจิน กาเมสุมิช้าจารีประพฤติผิดในการเป็นอาจินมูสาวาธีพูดเท็จเป็นอาจินมาช ป, ปายียดื่มของเมึนเมาเป็นอาจินเป็นต้นการล่วงเสีนเนืองๆนี่แหละท่านเรียกว่าความเป็นผู้ทุศีนและมักจะมาคู่กับคำว่ามีธรรมสามหรือธรรลามกทุสีโลปาปธรรมโมอธิบายว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรม ศีนนั้นรักษาได้เท่าใดก็เท่านั้นบางท่านอ่านรักษาได้ประจำเพียงสองข้อบางท่านสามข้อบางท่านสี่ข้อบางท่านห้าข้อแต่อาจจะมีขาดทะลุด่างพร้อยบ้างเป็นครั้งคราวการรักษาศีลและการประพฤติธรรมบางท่านก็รักษาอย่างเผาบางท่านรักษาอย่างกลางบางท่านรักษาอย่างสูงหรืออย่างอุกฤตประณีตผู้รักษาศีลอย่างเผาย่อมรักษาตามกลังความสามารถ อาจล่วงศีลได้เมื่อจำเป็นหรือเกี่ยวกับอาชีพบางอย่างเช่นชาวประมงต้องทำปาณาธิบาทเพื่อการดำรงชีพจะตระหนี่ว่าเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ควรหากเขาสามารถรักษาสิลข้ออื่นได้และประพฤติทำอย่างอื่นได้ก็ขอให้ทำไปเท่าที่สามารถจะทำได้สมเด็จพระมหาธรรมนะเจ้ากุมพยาววชิระยานวโรรถส่งไว้ในมหาสมณศากเรื่องการเทศนาสอนชาวประมง ลงมาที่15มีนาคม2459ว่าจากติเตียนคนหาเลี้ยงชีพในทางประมงที่พวกพระเรียกว่าปานาทิบาตโดยส่วนเดียวไม่ได้เพราะการเลี้ยงชีพต้องเป็นไปเหมาะแก่ถินฐานอันคนผู้ประพฤติทธรรมก็ต้องประพฤติเพียงพอดีแก่ฐานะของตนไม่เช่นนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้คนผู้อยู่ในถินฐานอันจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการประมงพระสั่งสอนให้เว้นได้ในคําว่าหากด้ามท้าด้วยเขา่า เขายอมทําตามไม่ได้อยู่เองบางคนเชื่อถือได้ทําตามเป็นหมดทางเลี้ยงชีพเท่านั้นแต่ศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขายอมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกาลังบำรุงฝ่ายพระควรรู้จักว่าอย่างไรเป็นประโยชน์แก่เขาบ้างอย่าถือว่าชาวประมงเป็นคนใจบามหยาบช้าไม่ควรโปรดโดยส่วนเดียวพึงเข้าใจว่าการประมงเป็นเอกเทศของปานาธิบาศ เอกเทศเท่ากับบางส่วนหรือส่วนหนึ่งไม่ใช่ตัวปางนาทิบา ท, ทีเดียวเหมือนมนุษย์บิคหะเท่ากับการฆ่ามนุษย์ในเรื่องอื่นๆก็ทํานองเดียวกันตัวอย่างคนดื่มสุราใช่ว่าจะเป็นคนเลวเพราะเหตุนั้นอย่างเดียวก็หาไม่เขาอาจมีคุณธรรมอื่นๆดีอยู่มากก็ได้พวกนักรบหรือพวกทหารเมื่อออกสงครามก็ต้องฆ่ามนุษย์เป็นอันมากพระมหากษัตริย์แต่โบราณต้องนําทัพออกสู้ฆ่าศึกเองต้องประหัตประหารผู้คนไปมากมาย แต่ท่านเหล่านั้นก็เป็นพุทธศาสนิกเลื่อมายในพระรัตนตรัยเมื่อเสร็จสิ้นสงครามแล้วก็ทนุบำรุงพระศ า, ศาสนากันเป็นการใหญ่สงฆ์ที่สําเร็จกลมพยาวาชิรยานบรโรรถทรงไว้ว่าศาสนามีประโยชน์แก่เขาอย่างไรเขาย่อมรู้อยู่เขาจึงนับถือและออกกําลังบำรุงส่วนผู้รักษาศีลอย่างกลางย่อมพยายามรักษาไว้จนสุดความสามารถแต่เมื่อภัยมาถึงตัวจะต้องเจ็บตัวหรือจะต้องเสียชีวิต เขาก็ยอมสละสีนเพื่อรักษาตัวหรือรักษาชีวิตไว้ก่อนฝ่ายผู้รักษาสีนอย่างสูงนั้นยอมสละชีวิตเลือดเนื้อแต่ไม่ยอมสละสีนของตนยอมตายโดยไม่ยอมทำลายสีนดูปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างสีนเป็นพรหมจรรย์อย่างหนึ่งสมดังที่ท่านกล่าวไว้ในติ ต, ตระชาดกว่าปัญจศิล น, นั่นแลเป็นพรหมจรรย์ส่วนโวสถศีลท่านเรียกว่าพรหมจรรย์ ในฐานะเป็นสิ่งฝึกตนเองพึงเห็นในนิมิชานบอกว่าบุคคลเกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างเลวเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางและบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงลองดูเถิดแม้อุโบสถทศีนท่านก็ยอมให้มีอย่างเลวและอย่างสูงความเป็นกษัตริย์สำเร็จมาด้วยคุณธรรมคือพรหมจรรย์อย่างเลวเท่านั้นพรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงอุโบสถทศีลอย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้ทุศีลหรือทำลายศีลเนืองย่อมชักบาปมาสู่ตนบาปนั้นรัดรึงย่ำยีครอบงำและทำลายบุคคลนั้นให้ต่ำารามลงไปจเจริญได้ยากเหมือนเถาวัลย์ที่รัดรึงต้นสาละไว้ไม่ให้จเจริญงอกงามเท่าที่ควรจะเป็นเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงขณะประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารกพระเทวทัตมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องพระเทวทัตวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่าพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีลมีธรรมซามเกลียดกล่อมพระเจ้าอาชาสตโรยังลาบสการะให้เกิดขึ้นชักชวนพระเจ้าอาชาสตรูให้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาสตโรตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระธัาคดเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตันหาของตนเพราะเหตุที่พระเทวทัตเป็นผู้ทุศีล น, นั่นเอง พระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องพภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่เพียงแต่บัดนี้เท่านั้นที่เทวทัพตะเกียกตะกายเพื่อฆ่าเราแม้ในการก่อนก็เคยทํามาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกุรุงขชาดกเป็นต้นแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายตันหาย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เป็นผู้ทุศีลมันห่อหุ้มรวบรับผู้ทุศีลเหลือเกินนั้น แล้วโยนลงไปในอบายสีมีนรกเป็นต้นเหมือนเถาวันผูกพันรัดต ร, รึงต้นสาละฉชนั้นพระพุทธองค์ตรัสพระคาถาต่อไปว่าความเป็นผู้ทุศีลเหลือเกินครอบงำรัดตรึงบุคคลใดเหมือนเถาวันล้อมรัดต้นสาละบุคคลนั้นย่อมทำตนเหมือนโจรปรารถนาจะทำแก่เขาคือเบียดเบียนเขามีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้น